สมเด็จพระญานสังวรสมเด็จพระสังคราชสกลมหาสังฆปริณายกสมเด็จพระสังคราชเจริญสุวัฒโนทรงบรรพชาเป็นสามเณรตั้งแต่ปีพุทธศักราช2469ขณะอายุ14ปีทรงขึ้นดํารงตําแหน่งพระสังคราชองที่19แห่งกรุงรัตนโกสินทร์เมื่อปีพุทธศักราช2532ทรงสอบได้นักธรรมเอกปริญญาธรรม9้าประโยค ทรงนิพนธ์ตราทางด้านพุทธศาสนาไว้เป็นจํานวนมากทั้งตําราการศึกษาของนักเรียนบาลีตําราพระธรรมเทศนางานแปลเป็นภาษาต่างประเทศท่านศึกษาการปฏิบัติสมถภาวนาจากพระป่ากรรมฐานสายพระอาจารย์มั่นได้รับการยอมรับจากคณะสงฆ์และผู้แตกฉานในธรรมว่าทรงเป็นทั้งนักปริยัติที่เป็นพู้หูสูดและเป็นนักปฏิบัติที่เคร่งครัด ทรงได้รับแต่งตั้งให้ทำหน้าที่เกี่ยวกับการศึกษาพระพุทธศาสนาและงานบริหารคณะสงฆ์มากมายหลายตำแหน่งหลายวาระทรงมีบทบาทในการเผยแพร่พัฒนาทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาในหลายด้านทั้งในและต่างประเทศทรงบุรณะซ่อมสร้างภูชนียสถานวัดเจดีย์โรงเรียนโรงพยาบาลเป็นจำนวนมาก สมเด็จพระยานสังวรได้บอกเล่าถึงความสนพระราชาฮฤทัยในพระพุทธศาสนาของในหลวงรัชกาลที่9ซึ่งมีตั้งแต่ครั้งทรงพระเยาว์ดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงปฏิบัติพระราชกิจทางพระพุทธศาสนาอย่างสมบูรณ์มาตั้งแต่พระชนม์มาพันสายอย่างน้อยดังที่ได้เคยทราบไว้ ได้ส่งพอพระราชาลือไทยในการฟังเทศที่มีอยู่เป็นประจำในคราวบำเพ็ญพระราชกุศลถวายที่พระบรมศพราชการที่8แม้จะเป็นเทศกันยาวก็ส่งพอพระราชาลือไทยฟังส่งเริ่มสนพระราชาลือไทยในพระพุทธศาสนาเมื่อได้ส่งพบปะกับพระมหาเทระผู้ใหญ่ก็มีพระราชปุตรชา้าและส่งสดับข้อธรรมนั้นๆอยู่เนืองเนือง โดยเฉพาะมีโอกาสเฝ้าสมเด็จพระสังฆราชเจ้าวัดบวรนิเวศวิหารหม่อมราชวงศ์ชื่นนพวงศ์ได้ทรงสดับฟังธรรมะเป็นครั้งคราวต่อมาทำให้ทรงเข้าพระราชาหธิไทยในธรรมและสนพระราชาหฤิไทยในพุทธศาสนามากขึ้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชได้สเสด็จออกทรงพระพนวด ระหว่างวันที่22ตุลาคมถึง5พฤศจิกายนปีพุทธศักราช2499ในระหว่างนั้นได้ทรงศึกษาและปฏิบัติตามพระธรรมวินัยอย่างเคร่งครัดดังที่สมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปารินายกได้ทรงเล่าถึงพระรา ช, ชจริยาวัดของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขณะทรงพระผนวดว่า พระภิกษุพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะได้ทรงพระผนวดตามราชประเพณีเพียงอย่างเดียวเท่านั้นหามิได้แต่ทรงพระผนวดด้วยพระราชศรัทธาที่ตั้งมั่นในพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริงมิได้เป็นบุคคลจำพวกที่เรียกว่าหัวใหม่ไม่เห็นศาสนาเป็นสําคัญแต่ได้ทรงเห็นคุณค่าของพระศาสนาฉะนั้นถ้าเป็นบุคคลธรรมดาสามัญก็กล่าวได้ว่า บวช ด, ด้วยศรัทธาเพราะทรงผนวดด้วยพระราชศรัทธาประกอบด้วยพระปัญญาและได้ทรงปฏิบัติพระธรรมวินัยอย่างเคร่งครัดสมเด็จพระสังฆราชยังได้ทรงกล่าวถึงพระราชาจริยาวัดของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวว่าในด้านหน้าที่ราชการนั้นก็ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจทางพระพุทธศาสนาตามราชาประเพณีโดยมิได้ขาดตกบกพร่อง เช่นพระราชกรณียกิจเนื่องในเทศกาลสาคัญทางพระพุทธศาสนาพระราชทานพระบรมราชูปธรรมในการบูรณะปฏิสังขรณ์พระอารามต่างๆทั้งในกรุงเทพและในหัวเมืองพระราชทานแต่งตั้งสมณศักดิ์แด่พระสงฆ์ในการเอื้ออำนวยแก่การปกครองคณะสงฆ์และเชิดชูผู้ทรงศีลทรงธรรมให้เป็นที่ปรากฏ ตลอดถึงพระราชทานพระบรมราชูประมับการสั่งสอนและการเผยแพร่พระพุทธศาสนาทั้งในประเทศและต่างประเทศในด้านที่เป็นการส่วนพระองค์นั้นก็ส่งปฏิบัติพระองค์ยึดมั่นอยู่ในคุณธรรมของพระพุทธศาสนามีราชธรรมเป็นต้นส่งศึกษาพระพุทธศาสนาและส่งนำไปปฏิบัติอย่างจริงจังส่งบำเพ็ญพระราชกุศลเป็นส่วนพระองค์ในโอกาสต่าง และบำรุงพระสงค์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเป็นจำนวนมากมิได้ขาดสมเด็จพระยาณสังวรเป็นพระผู้ประเสริฐงามพร้อมทั้งกายใจมีคุณสมบัติครบถ้วนทั้งด้านปริยัติและปฏิบัติจนที่สุดในปีพุทธศักราช2555ผู้นำสูงสุดของชาวพุทธทุกนิกายทั่วโลกจาก32ประเทศมีมติทูลถวายตาแหน่ง ผู้นำคณะสงฆ์สูงสุดแห่งโลกพระพุทธศาสนาแด่สมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชเจริญสุวัฒโนในฐานะผู้ทรงได้รับการเคารพอย่างสูงสุดทรงเป็นที่เทิดทูนยอมรับของพุทธศาสนิกชนทั่วโลกและคณะสงฆ์ทุกนิกายมีเรื่องเล่าแถมพิเศษเกี่ยวกับพระองค์ท่านนะครับที่เคยเป็นข่าวหน้าหนึ่งมาแล้วเมื่อครั้งที่เกิดไฟไหม้ชุมชนหลังวัดบวร ตามคำบอกเล่าของคนใกล้ชิดนะครับว่าท่านเสด็จขึ้นตึกกรรมฐานส่งมองขึ้นไปบนท้องฟ้าโบกพระหัตถ์สามครั้งก็บังเกิดกลุ่มเมฆและฝนตกลงมาอย่างหนักดับไปที่กำลังไม่สนิทประชาชนที่ได้พบเห็นต่างดีใจน้ำตาหนองหน้าก้มกราบกับพื้นไปตลอดทางที่ท่านเสด็จกลับกุติซึ่งเป็นพระเมตตาที่ชาวบ้านย่านวัดบวรจดจำกันได้ดีสามารถหาดูข่าวย้อนหลังได้จากอินเทอร์เน็ตนะครับ พลังจิตมีจริงนะครับเป็นที่ยอมรับในวงการวิทยาศาสตร์บางสาขาบ้างแล้วบางประเทศในยุโรปถึงกับจ้างนักพลังจิตเข้าทํางานเป็นเจ้าหน้าที่รัฐและมีการค้นคว้าวิจัยอย่างจริงจังศึกษาข้อมูลไดจากวารสารและศาสตร์ด้านนี้โดยตรงตัวอย่างเช่นวิชาพลังกายที่เพื่อสุขภาพก็ถูกยอมรับเป็นแพทย์ทางเลือกแขนงหนึ่งไปทั่วโลกแล้วนะครับยังมีอีกหลายอย่างที่คิดว่าง ม, มงายแต่วิทยาศาสตร์กําลังพิสูจน์ได้เรื่อยๆ ฝากถึงคนรุ่นใหม่นะครับว่านักวิทยาศาสตร์ตัวจริงหากไม่ได้ศึกษาอย่างลึกซึ้งไม่ได้ทดลองจนละเอียดเขาจะไม่ยอมบอกว่าสิ่งนั้นไม่มีจริงเพียงแค่เพราะตนเองไม่เชื่อแต่จะบอกแค่ว่ามันยังพิสูจน์ไม่ได้ไม่ใช่ปิดประตูปักใจคิดว่าสิ่งที่ตนเองไม่เห็นและทำไม่ได้ไม่มีทางมีจริงเปรียบคล้ายคนหูหนวกนะครับที่ปฏิเสธเสียงแข็งว่าเสียงเพลงไม่มีจริงเพราะตนเองไม่มีทางได้ยิน หลายสิ่งที่พิสูจน์ได้ในภายหลังล้วนเกิดจากสมมติฐานจากความเชื่อว่าไม่มีจริงจากคนทั่วไปมาก่อนแทบทั้งสิ้นนะครับสำหรับราประวัติโดยละเอียดของสมเด็จพระยาณสังวรรวมถึงเสียงอ่านหนังสือและพระนิพนธ์อื่นๆของพระองค์ท่านสามารถติดตามดาวน์โหลดได้ฟรีที่เว็บไซต์โจโ h ด n e เเช่นเดียวกันนะครับแล้วคุณจะรู้ว่าประเทศไทยและพวกเราโชคดีแค่ไหน ที่มีทั้งพระมหากษัตริย์ผู้ประเสริฐในทุกด้านและมีพระอริยะผู้งามพร้อมจนทุกนิก่ายทั่วโลกต้องให้ความนับถือใจกายตามรอยบูช า, าถ้าอทูลในพระบุญญาองค์สังราชาไทยสมองค์พระอภิบาลราชันสมดังศูย์รวมศัทธาด้วยหัวใจ สายทานที่ยังรินไหลสมคำสมยาเปรียบไว้พระญาณสังวรจะรือนหนึ่งรอยพระชนสาสุขล้นในพระเมตตาสังคบิดาคอยพรำสอนมันไว้ในธรรมทุกตอนชาติร อาทำนั้นกรองหัวใจประชา